วันนี้จะขึ้นบทในเรื่องของบา ร, รมีข้อที่เท่าไหร่ข้อที่5ก็พูดถึงในเรื่องของวิริยะบา ร, รมีนะวิริยะบา ร, รมีก็มีอุตสาหะเป็นลักษณะตัววิริยะนี่นะแล้วก็อุตสาหา ก็คือความบากบัน่นก้าวไปใจสู้เนี่ยเป็นลักษณะประการต่อมามีการอุปถัมเป็นกิจเจวิริยานเดีย๋ยคอยเหมือนกับอะไรกองทัพเหมือนกับกองทัพหนุนไม่ใช่กองทัพหน้าคอยหนุนศีลสมาธิแล้วก็หนุนปัญญาไม่ไม่ให้รุดถอยลงมาข้มจุนมีการไม่จมลงก็คือไม่จมไม่ปักลง มีการที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็มีการปารบความเพียรมีสังเว่าเป็นประทฐานเออนี่คือวิริยะวิริยะนีมีบทบาทสำคัญในกระบวนการแห่งสภาวธรรมทั้งที่เป็นกุศลอกุศลเลยนะฉะนั้นถ้ามองถึงในลักษณะของวิริยะเนี่ย 1. มองในทางด้านของส ม, มปทานก็ความเพียรอันมั่นคงซึ่งประกอบไปด้วยกุศลและจิตเนี่ยนะ ที่ทําหน้าที่คือกลุ่มกุศลทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นพยายามเพื่อจะละกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนี่เรียกประหารประธานคือบาปละบาปเก่าบาปที่เคยเกิดสิ่งที่ไม่ดีที่เคยเกิดทั้งหลายเช่นเคยทําไม่ดีมาทั้งหมดทํากายทุจริตมาวจีทุจริตมามโนทุจริตมาทําสิ่งที่ไม่ดีมาทั้งหมดละได้ไหม เออสมาทานวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่ให้บาปเก่าอากุศลเก่าทุจริตเก่าเนี่ย้อนกลับมาสู่กระแสชีช้ชวงข้าพเจ้าอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าข้าพเจ้าจะพ้นทุกนี่อย่างนี้นะเช่นเช่นยังไงดีการนั่งเท้าคางเนี่ยไม่เหมเาะอเจะละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่กลับมาเกิดอีกไอความคิดที่อยากจะเท้าคางเนี่ยหรือไอก า, ารเปิดตู้เย็นเสียงดังตึงตั ง, ต ง, ต ง, ตง นี่นะหรือการเถียงไหม้ไหม่ไหม้ตัวนี้เป็นต้นอะไเนี้ยอันนี้เป็นต้นก็คือว่าอากัสรเหล่านี้เราจะไม่ทําใช่ไหมนะจะไม่ทําอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอนนั่งขากรวยห่างกัดดิกเท้าแสดงการไม่เคารพจิตใจทะมึงตึงเอาใจใจตัวเองอะไรต่างๆ่างอะเนี้ยท่านบาปอกากัสร์ตนที่มันเคยเกิดแล้วในชีวิตเราความไม่ชอบอ่านหนังสือความเกลียดค้านความโลเลทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้น จะไม่ให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตข้าวพเจ้าอีกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเอออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเพียนละอะไรบาปเก่าเออเขาเรียกเพียนละบาปเก่าไ อ, อ้บาปเก่ามีอิทธิพลมากคนติดอธัธยาศัยเดิมๆติดความชั่วดเดิมๆติดการกระทําที่ไม่ดีเนี่ยเราไปติด ม, มันเช่นบางทีเราไปติดอาหารเงี้ยใอ้สารมากเลยตามใจปากตามใจลิ้น เาเป็นธาตุ้็มันหลึกเงี่ยนะถามตัวนี้นะลองดึงลิ้นออกมาแล้วมานั่งคุยกับมันเอ๊ะทําไมฉันจังไปเป็นธานตุเหมือนกันเอามาแปะแล้วก็ไหลเข้าไปเอามาแปะก็ไหลเข้าไปอ้าวถ้าไม่ผ่านลิ้นยอมไหมเจาะเข้าโดยตรงกับกระเพาะเลยปืดปืด ป, ดปืดเข้าเลยไม่เอาอีกใช่ไหมมันไม่มีรสชาตินี่ก็คือเพียนเพียนในการที่จะละบาปเก่าเห็นไหมตรงเนี้ยต้องมองให้ออกว่านี่คือ หลายๆคนก็จะต้องปรับปรุงตัวเองทุกคนเมื่อเข้ามาสู่ความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าละบาปเก่าไม่ได้ก็จะจมอยู่กับเรื่องดืงด้ๆบางคนเป็นคนขี้โกรธก็ไม่ยอมละความโกรธบางคนเป็นคนกำหนัดยินดีเพลิดเพลินก็ไม่ยอมละปล่อยความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินเข้ามาเกลือกกลัวกระแสชีวิตอยู่นั่นแหละบางคนเป็นคนชอบมัวเมาลุ่มหลง ล, ลังเลสงสัยเนี่ยเป็นโมมูวหจิตก็ปล่อยมันอยู่อย่างนี้บางคนชอบทำกายยทุจริต วิจิตุจริตมโนทุจริตเห็นผิดใดๆก็แล้วแต่ไม่ยอมเพียนที่จะละบาปเก่าคนแบบนี้พัฒนาไม่ได้แล้วก็ไม่มีความกระตือรือร้นในการที่จะละบาปไม่เห็นโทษนะไม่เห็นโทษณปัจจุบันแล้วก็ไม่เห็นโทษในการต่อไปสรุปแล้วคือตอนนี้เราถูกผ่าถูกทุจริตที่มันเคยทํามาแล้วเนี่ยตามหลอกหลอนมันจะตามมาเข้าสิงตัวเราอยู่ตลอดเวลาจะให้เราเป็นเหมือนเดิมนั้นเราก็ต้องประกาศเลิกกับมันไปเลย บอกไม่เอาประการต่อมาเพียรพยายามเพื่อแม่อกุศลใหม่เกิดเรียกว่าสังวรประทานปิดบาปเอากุศลใหม่เนี่ยบาปใหม่ทุจริตใหม่ที่เราไม่เคยทํามีไหมแต่เราเห็นคนอื่นทําเราได้ยินข่าวว่าคนอื่นทําเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยไม่เคยทำนะในพวกเราฆ่าพาระทหารทำร้ายพุทธเจ้าแม่พ่อพระโลหิตทําสังฆเพศเนี่ยไม่เคยทําหรือเอาระเบิดปรมามนูไปทิ้งตรงนูน้นตรงนี้เราได้อ่านประวัติศาสตร์ใช่ไหมเราไม่เคยทําะไบาปประเภทนี้ หรือคนบางคนโอ้ฆ่าสัตว์ใหญ่ๆได้ฆ่าวัวฆ่าควายเราก็ไม่เคยทํานะประมาณหรือฆ่ามนุษย์เงี้ยไม่เคยทําเลยแต่เราได้ยินข่าวคนอื่นก็ทํานี่กลุ่มบาป ก, กับเพียรพยายามปิดไม่ให้ความคิดมันเข้ามาสิงเลย น, นี่ประการต่อมา ก, ก็คือพยายามเพื่อให้กุศลใหม่เกิดเพราะกุศลใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทําเยอะเลยทานศีลภาวนาทานศีลเนคขมมะอะไเนี่ยเพิ่งมาเคยทํากันนี่ ออกจากการก็ยังออกกันได้ไม่เป็นปัญญาก็ยังไม่เคยทําให้จริงจรงจริๆๆะวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานนะเมตตาเวหาโอ้ยบัยังมีเยอะบุญใหม่ๆทั้งหลายที่ยังไม่เคยทำเนี่ยก็เพียรพยายามทําให้เกิดให้มีขึ้นแล้วก็เพียงพยายามเพื่อให้กุศลที่เกิดขึ้นแล้วเจริญรุ่งเรืองขึ้นขึ้นไปเป็นอนุรักษณาปัฏฐานที่เป็นต้นนี่ในด้านของสามัปคีฐานอันนี้เป็นคุณเครื่องเห็นการที่จะบําเพ็ญวิริยะบา ร, รมีหมดเลยนะ อภิการต่อมาก็วิรยิยติบาทเคยได้ยินไหมนี่เป็นอิธิบาทนะความพยายามอย่างแรงกล้าเป็นบาทเบื้องต้นแห่งความสําเร็จนการที่เราจะสําเร็จชานาพิญญามรรผลเนี่ยเป็นวิริยะที่ประกอบในกุศลจิตนี่แหละที่เป็นสภาวธรรมที่มุ่งมั่นในกิจการงานในดีงามทั้งหลายทำให้สามยุทธธรรมคือจิตแะใจรทธิ์ที่เกิดร่วมกันกันกบตนเองเนี่ยในขณะเดียวกันมุ่งมั่นในการทํากิจการงานของตน ไม่ย่อท้อไม่ถดถอยจนสําเร็จกิจที่มุ่งหมายนนะวิริยะธาตุเนี่ยคนที่มีวิริยะธาตุตัวเนี้มีหนึ่งอรัปธาสองนิกรรมธาตุสามปรกรรมธาตุอรัปธาเพียรเริ่มต้นนีใ่ใจมันกระตุ้นตัวเองก่อนไม่เกียรติค้านนิกรรมธาตุออกจากความหลับออกจากความเกียรติค้านเร็วไหมไอตัวนี้เราเร็วไหมคือหมายแต่จะเพียรไม่มัวนอนไม่มัวหลับ ไม่แล้วปุ๊ ط, ออกมาเลยออกจากความหลับไหลออกจากความหลงความโง่ออกจากความไม่รู้เลยรีบออกเร็วๆพ ร, ระธรรมธาตุเพียรให้เกิดความพยายามพินโยยิ่งยิ่งขึ้นไปเออลักษณะนี้เขาเรียกวิริยะวิริยะนี่ยแปลว่าวิริยะหนี่งแปลวา่าเกล้ากล้าอาถรรพ์ก้าวไปใจสู้ไม่ทอ้อพอได้ยินว่าโอ้โหเนี่ยบวมาแล้ว จะต้องศึกษาพระธรรมจะต้องนั่งกรรมาฐานท่านั้นทั้นี้พอฟังปุ๊บจิตใจตื่นเต้นชอบใจนะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคนที่มีวิรยิยะธาตุค่อนข้างรุนแรงฟังแล้วเนี่ยบางทีเข้าไปเสนอเลยเขาบอกโอ้ยคุณจะบวชเนี่ยคุณสามารถสวดมนต์ทำวัดเนี่ยครั้งละชมงศ์ไหวไหมโอ้กว่า งั้นผมขอทขําครั้งละสามชั่วโมงครับนี่โอ้โหนีเน่เสนอตัวยังแลยเออเนี่ยเหมือนเดรัจฉีในสมัยข้าพุทธกาลเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่วิริยะแรลงกล้ามากไม่กลัวเขอเออเธอเป็นเดรัจฉีนะักถือเ อ, อลัตที่อื่นมาก่อนเนี่ยไม่น่าไว้ใจเธอจะต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนนะตัดติทยาปริวาสสี่เดือนก่อนถงึงจะให้บวชได้ ท่านเสนอบอกผมคอยอยู่สี่ปีครับหรืออยู่จนกว่าพระสง์จะเห็นสมควรเนี่ยเสนอขนาดนั้นนะความอยากจะเข้ามาในพระศาสนาทุกวันนี้เมื่อไรผมจะได้ออกไปครับ <c oughs> เฮอเป็นคนตรงเงินเก้าใช่ไหมเออไม่มีวิริยะธาตุไม่มีความกล้ากล้าไม่มีความอานานนั้นตรงนี้ก็ต้องฝึกวิริยะบา ร, รมีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมันเออ คนเกียรติค้านหดหู่ท้อถอยวิริยะเนี่เป็นตัวมันเป็นปฏิปักษ์ต่อทีนามิทัคนที่มีความหดหู่ท้อถอยหรือความเซ็งเบื่อบ่อยๆเพราะขาดอะไรขาดวิริยะขาดความกล้าขาดความกล้าหาญอ้าววิริยินรี่เดี๋ยวจะมีจบเพราะมีหลายเรื่องวันนี้ ก็คือวิริยะเจรสิกษ์ที่เชียวอินทรีย์เป็นคุณธรรมที่เป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองในความพยายามต่อการงานและสิ่งที่เป็นกุศลอันนี้เป็นวิริยะที่ในมาหากุศลด้วยมาหาจริยาด้วยในอัปปนาเชวนายี่หกด้วยศึกษาไหมยังหนูศึกษาไหมยั ง, ยงวิรยิยะศึกษาเรียนไหมยังเรียนไหมยังเกิดเรื่องนี้หยุดไปคนระัอหยุดไปจัง <laughs> ฉะนั้น ซึ่งกระทํากิจการงานในการเพียรพยายามต่อกิจการงานที่ดีงามทําให้สัมยุญ ธ, ธรรมคำว่าธรรมที่เกิดร่วมกันกันกบตนในขณะจิต ด, ดวงเดียวกันนี่แหละขวนขวายในกิจการงานของตนอย่างเต็มที่ไม่ยอ่อท้อต่อการงานเลยีน้ขวนขวายในการกิจการงานเนี่ยเป็นวิริยินทรีย์มีบทบาทในฐานะเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองสัมยุญธรรมเลยแต่วิริยินทรีย์ตัวนี้ต้องระวัง เช่นความเพียรในการทําบาปเนี่ยมันนี้ไม่ดีเลยคนบางคนโอ้โหเวลาทําบาปเนี่ยกล้ามากเลยเนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นอกุศลไม่ดีนะตัวเนี้ยต้องระวังเนะี่ยอันนี้เป็นวิริยะที่ประกอบในอกุศลบางคนเพียนมากพออยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเพียนพยายามทุกอย่างทุ่มเทสุดชีวิตสุดแรงเกิดเลยนะไอนี่เป็นความเพียนผิดนะพี้ยนเช่นเพียรจะรักขโมยพอเห็นปุ๊บต้องจัดการมาแ น, น่แน่ เพียรจะฆ่าเขาจะมีคนคนหนึ่งไปไปฆ่าเขาแล้เขาบอกไปเพียรพยายามเป็นวันเลยมีคนหนึ่งไปจะไปรักของในห้างเขาทำอะไร เ, เขาแอบไปนอนซ่อนอยู่บนบนในห้างบนดาดฟ้านอนอย่างนี้นนทั้งวันรอจนสี่ทุ่ม พอสีท่ทงเขาปีติใช่ไหมห้ามใช่ไหมแล้วก็ลงจัดกันนี่เพี้ยนขนาดนั้นนะเพี้ยนที่จะรักอีกคนหนึ่งหนักกว่านั้นอีกบ้านเขาอยู่ใกล้ๆธนาคารเขาจะลักของในธนาคารก็ทำํำไงเขาก็ขุดเงี้ยขุดจากบ้านเขาเนี่ยขุดเป็นอุโมงค์ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ขุดเข้าไปโผล่เข้าในกลางธนาคารเห้นไหม เขาไปคำนวณเขาเข้าไปธนาคารนี่บ่อยๆอยเขารู้เซฟเงินอยู่ตรงไห น, นโขดเข้าไปโผล่เนี่เลยแล้วก็ออกลัก น, นี่เตรียมตัวขนาดนี้ใช้เวลาเยอะไหมต้องเพียนมากัหยเนี่ยอีกคนหนึ่งอ่ะอ่ามันติดคุกโทษมันติดตลอดชีวิตมันทำงางมันถูกขังเนี่ย ตอนกลางคืนก็ถูกขังเดียวกันใช่ไหมเข้าที่ขังเดียวสมัยก่อนเนี่ยกลางวันก็ออกมาข้างนอกมันก็เจาะผนังเลยอ่ะเจาะผนังคุกมัจเจาะไปด้วยอะไรอ้ามันก็ใช้อุปกรณ์อุปกรณ์อยู่ในนั้นเน่ะเป็นพวกเหล็กพวกอะไรเนี่ยเอาไปเลือกแล้วเอมันออกมาทํายังไงสมัยก่อนกสมัยก่อนก็มีเคงเกงไม่มีงเกงขาท่านหรอก็ขใส่เกงข า, า, า, ย, งขายาวดว้มันก็ใช้สัเงเกตเอาดินเอาแรงต่างไป ออมา<ำ>มันทำอยู่อย่างนั้นประมาณยี่สิบสามสิ่กว่าปีมันเจาะเจาะไปออกท่ออุจจาระแล้วก็ตายท่ออุจจาระเอามันทำเลยแล้วมันมีโอ้โหมันขนาดนั้นเลยนะเนี่ยเพี้ยนผิดเนี่ยเพี้ยนผิดมันก็เอานะ ไ, ไอ้กรณีอย่างเงี้ยเพี้ยนที่เป็นอากุศล บางคนวางแผนในการจะฆ่าคนอื่นบางคนวางแผนในการที่จะลักทรัพย์สมของคนอื่นก็ต้องอาศัยความเพียนความแก้วกล้าความอาถานนี่แหละไอ้ความเพียนประเภทนี้โอ้โหต้องกระตุ้นตัวเองอกันตามมานี่เป็นต้นนี่นะน่าใช่ไหมเรามีเราระหว่างเพี้ยนผิดกับเพี้ยนถูกเนี่ยของของพวกเราตัวไหนแร ง, งกว่ากันถ้าโกรธใครก็เพี้ยน หรือเพียนในการที่จะคิดเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านเนี่ยเพี้ยนไหมเนี่ยนี่เรื่องเพี้ยนไหมวิทยาในประกอบแดงอกส่วนทั้งหมดหรือเปล่าเออบางคนชอบเพียนในการฟุ้งประกอบที่บางคนชอบมากเพียนในการคิดบาปเคยไหมล่ะเออเนี่ยอย่างนี้ก็เรื่อเพียนผิดหรือเพียนถูกเพี้ยนผิดนี่ไม่เรียกไม่เรียกว่าบารมีเป็นการเพียนที่ไม่ดีเพียนในการทําบาป นี่ไม่เอาเนีไม่เอาประการต่อมาคือวิริยะภาระเมื่อกี้วิญจีนะนี่วิริยะภาะนะราภาะก็คือภาระก็คือเป็นสภาวธรรมที่มีกำลังในความพยายามต่อกิจการงานและอารมณ์ที่ดีงามโดยไม่หวั่นไหวต่อธรรมที่เป็นค่าศึกวิริยะเนี่ยเขาตรงข้ามกับอะไ ร, รเออโกัลชะได้แก่ความเกียดข้าน วิริยะกับโกสัจฉานี่นต่างกันโกสัจฉะอกุศลก็เรียกความเกียจค้านความหดหูความเซงความเบื่อทั้งหลายเนี่ยวิร uh ิยะอยู entonces, ่ตรงกันข้ามวิริยะวิริยะภะระเวลาเกิดขึ้นมาปุ๊บมันจะข่มทําที่เป็นปฏิปักษกับมันมันจะทําลายความเกียดค้านหายไปเลยถ้าใครสามารถเจริญธรรมะข้อนี้ได้จะเป็นคนไม่เกียจค้านโอ้พ่อถูบ้านอืมีกําลังขึ้นมา ตักน้ำทํอะไรต่างๆอ้มันมันเล้าใจมากเลยตื่นเต้นอยากจะแกล้วกล้าอยากจะต่อสู้อยากจะฝึกบกฝาไปข้างหน้ามันมีความกล้าสูงมากบางคนถ้าไม่มีวิรญาณเนียอ้ อ, อทอ้อท้อตลอดเลยกลายเป็าพอให้ทําอะไรนี่ไม่เอาหมดเนียนี่พวกนี้พวกโกสัต ช, ชักอกุศลพวกท้อพวกเบือ่อพวกเกลียดข้านพวกไม่ขนขวายมันจะตื่นรุนรนพวกนี้ไม่ประสบความสำเร็จ โอ้ยพวกวิรยะเนี่ยเวลาเจองานหนักๆงานยากๆที่ไหนดูโอ้โหเฮ้ยท้าทาทยดีจังอยกตัวอย่างนะอการบําเพ็ญบา ร, รมีทานบา ร, รมีเขาบอกให้ทานเนี่ยสามารถให้ได้ทั้งหมดไหมเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถบําเพ็ญบา ร, รมีเนี่ยให้หมดตัวเลยขนาดเป็นวิโเวดิยนยังสละราชบัลลังก์เลยนึกโอ้โหตื่นเต้นเฮ้ยเดี๋ยวเราเป็นบ้างเลยเราก็จะทําอย่างนี้แหละอันนี้โอ้โหขนาด ไก่ปิ้งแค่กี่ไม่กี่ไม้นี่สละไม่ได้อ่ะมันท้อใจถ้าเกินเนี่ยนี่จะเป็นวิริยะบารมีได้ไหมไม่ได้เลยอยี่ยไปได้ได้ยังไงแค่ตรงนี้ยังหวงแล้วไม่กล้าทําลายกิเลสถ้าเป็นภูมิริยะนี่กล้าเลยบอกว่าจะเอาเท่าไหร่ครับเป็นขนาดนั้นเลยนี่ความอาถรรพ์ความกล้าหาเข็นบอกว่าโอ้ การจะบรรลุเป็นพระเจ้าต้องบำเพ็ญบารมีทั้งสี่าสงฆ์ขายยิ่งด้วยแสนกับหรือยี่สิบสงฆ์ขายยิ่งด้วยแสนกับพอจะยินปุ๊บเราเนี่ยทําได้เนี่ยนะกล้าขนาดนั้นเนี่นวิริยาเนี่ยเพียงพยายามในการจ ะ, จ ะ, จ ะ, จะเจริญสมถ h a ร m a ฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นความเพียรที่มีกําลังมากเพื่อจะได้เป็นปัจจัยต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานชานอภิญญาก็ย่ำยีโกสัชะ ความเกียจค้านไม่ให้กำเริบขึ้นมานั้นวิริยะที่ประกอบไปได้วยมห า, ากุศลหรืออัปนาชาวนะเนี่ยนะในในตรงกันข้ามนะคนที่มีวิริยะพละในด้านของอากุศลเนี่ยโอ้โหทําบาวก็ทําแรงมากเนี่ยต้องระวังตรงเนี้ยนะ มีวิริยะที่เป็นฝ่ายกุศลก็มีอกุศลก็มีก็ต้องระวังแต่ในที่นี้ที่เราจะบําเพ็ญพูดถึงด้านบา ร, รมีที่เป็นวิริยะที่เป็นไปในฝ่ายของกุศลอภรรการต่อมาคือสัมมาวายามะได้แก่ความเพียรชอบความเพียรในการที่จะเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนานี่แหละตามหลักของสัมมาประธานนี่แหละเป็นความเพียรในการที่จะละอกุศลเพียรในการระวัง ไม่หากุศลใหม่เกิดเพียรในการเจริญกุศลเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญเป็นสำมัปเป็นสำมาวายามะมากเพียรชอบนความเพียรชอบตรงนี้เป็นความเพียรที่ถูกต้องตัวนี้เป็นตัวประคองเลยนะตั้มจัดมิจฉาวายามะอกุศลได้ด้วยตั้มจัดมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกะปะ มิชาวาจาวิชากรรมฐานก็คือสามารถจะกําจัดกุลอวุศตแต่ถ้าโดยตรงก็คือกําจัดโกสัจฉะบุริยสัมโพชงอันนี้เป็นความเพียรพยายามที่มีความมั่นคงอย่างแรงกล้าสืบเนื่องจากส ม, มประทานจนเข้าถึงวิริยธิบาทวิริยนรียวิริยภะระสัมมาวายมะอันเป็นองค์แห่งการตัดสร้อยระยะสัตย์สีด้วยอํานาจแห่งการเดินส ม, มถาวิปัสนาเนี่ยจนสามารถทําลายโกสัจฉะ คือความเกียรติค้านได้โดยเส้นเชิงก็ทําให้สัมโพธิญาณก็คือมรรคญานทั้ง4เกิดขึ้นได้โสดาปินิมกสกัสากาธาคายมากทั้งหลายเป็นต้นเกิดขึ้นจนถึงอรัตธรรมนี่แหละอันนี้เป็นความเพียนที่ในมหากุศลนมาคริยาหาราืออัปภนาโชนะส่วนมิจฉาวายามะอันนี้เพียนผิดเพียนในทางที่ผิตที่เป็นอกุศลเพียนในการทําทุจริตสิบ ป, ประการเนี่ยเพียรในการฆ่าสัตว์เพียนในการลักทรัพย์ เพียในการประพฤติผิดในกามต้องเพียรวันนัเนี่ยเพียรในการพูดเท็จเพียรในการพูดส่อเสียดคำหยาเพื่อเยอะเพียรที่จะโลภเพียรที่จะโกรธเพียรที่จะเห็นผิดในความเพียรเร่องนี้ไม่เอาประการต่อมาคือวิทยาทิปติอธิบดีเป็นความเป็นใหญ่ในความภาคเพียรต่ออารมณ์นะอย่างแรงกล้าทําให้สามัยุทธรรมมีความมั่นคงในกิจการงานเป็นต้นด้วยนี้รายละเอียดเยอะไม่ไม่ขยายไปอ้าวเข้าหลักอุศ ลักษณะออผู้มีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาโดยวิบัยแยกไครในการที่จะบำเพ็ญบารมีข้อนี้แล้วย่อมสามารถกําหนดพิจารณาเรียนรู้สภาวะของบุริยะว่าเป็นสภาวะธรรมที่จะต้องพึงให้มีให้เกิดขึ้นเมื่อสักครู่พูดถึงลักษณะจะตุกะาาเขาว่าอุสาหาลักษณะมีความอดทนต่อสู้กับความลําบากนี่เป็นลักษณะเลยนะอุสาโหเนี่ยอุสาหานี่คขาว่าต่อสู้กับความยากต่อความลําบาก เจ อ, อเห็นความยากเห็นความลําบากแล้วเนี่ยจิตใจเกิดความพึกเขินนะเห็นปัญหาอุปสรรคแล้วชอบหรือไม่ชอ บ, ชอบถ้าชอบปุ๊บเป็นอุตสาหะเป็นวิริยะเอาละเราจะได้ฝึกฝนเราจะได้เรียนรู้การงานที่ยากๆทั้งหลายเหล่าเนี้ยถ้าก็บอกเอา้าจะถูพื้นเนี่ยพื้นที่กว้างๆ ก, กับพื้นที่เล็กๆจะเอาตรงไหนถ้าคนที่มีวิริยะท่าต่ำเอ้ยขอเล็กๆหน่อย แล้วทำอะไรต่อทำเสร็จก็ได้ไปน้องเป็นเกียรติค้านอยู่งั้นจักคนมีวิทยาบอกผมเอาที่ยากๆนีนะ่เออต้องการฝึกไอ้ยากๆเ อ, อ้ยเดินไกลๆนี่ชอบแบกหนักๆ น, น, นี่ชอบโอ้มันอย่างนี้เลยเนะยนี่ก็อยากฝึกตัวเองนี่แหละเป็นธรรมชาติที่อดทนต่อความพยายามต่อสู้กับความยากลำบากที่เกี่ยวกับงานต่างๆทั้งฝ่ายดี ฝ่ายมีดีก็จะสามารถสําเร็จรู้ล่วงไปด้วยดีเพราะการงานต่างๆที่ต้องทําด้วยกายวาจาใจเนี่ยย่อมมีความลําบากอยู่ด้วยไม่มากก็น้อยงั้นการงานเช่นมันมีตั้งการยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วมีความยากลําบากแต่ความลําบากชนิดนี้ไม่ปรากฏว่ารู้สึกว่าไม่ไม่ลําบากส่วนการงานที่หนักจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากปรากฏเพราะฉะนั้นการงานเนี่ยถ้าไม่ประกอบด้วยวิรยิยะย่อมไม่สําเร็จลงไดน้นั้นผู้ที่มีความก้กลา้า อาหารในการจระทากรรมทางกายวาจาใจนะั่นไงก็เพราะมีวิริยะที่เป็นเหตุตรงนี้สังเกตว่าเราเป็นคนมีเริ่มกระตุ้นให้เหตุปัจจัยของวิริยะได้หรื อ, อยังก็ดูตรงอุตสาหารักณะมีความอดทนต่อสู้กับความยากลำบากหรือไม่มีต่อความหนาวต่อความร้อนต่อความหิวต่อความกระหายต่อเสียงด่าเสียงชมอะไรก็แล้วแต่ มีลาบเสื่มราบทั้งหลายเหล่านี้ถ้าใครมีตัวนี้มากๆประสบความสําเร็จทุกคนกิจสาชาตาชูปัตถมพนาละสังก็มีการอุดหนุนทำที่เกิดพร้อมกับตนน่ยไม่ถอยหลังเป็นกิจวิทยาเวลาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านสามยุธรรมคือจิตเจสิกที่เกิดพร้อมกับตนก็พลอยเกิดอุตสาหะไปด้วยโอ้โหเขาไม่ใช่ว่าทวิริยะเกิดขึ้นมาปุ๊บก็กทําเวทนา สุขทุกข์ทั้งหลายมีอุตสาหะด้วยทําสัญญาคือความจําให้เกิดการอุตสาหะด้วยหรือทําสภาวก็ทำอื่นๆโอ้โหอุตสาหะกันหมดเลยทำมาให้เกิดร่วมกันกับเขาเขามีอิทธิพลฉะนั้นใครปลุกเราให้ความเพียนความวกล้าเกิดขึ้นมา ก, ก็จะเป็นคนที่ตื่นตัวตลอดเวลาเลยเนะี่ยไม่หลับไหลท่านจึงอุปมาว่าเปรียบเหมือนบ้านที่จนจะพัง วิริยะเนี่ยก็จะช่วยหนุนไม่ให้บ้านนั้นพังเป็นเสาเลยเสาที่ค้ำยันบ้านไว้ไม่ให้ล้มลงนี่ก็เหมือนการเวลาสำยุทธธรรมทั้งหลายจะท้ อ, อไม่เอาแล้วเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยวิญญาต์ไม่ได้สู้ต่อไปเ อ, อจําพระหมหาชนกเนี่ยจะลงเรือจะค้าขายเพื่อจะมาที่สวุวรรณภูมิสวุวรรณภูมิก็มาเขตนี้แหละประเทศไทยพม่า อินโดนีเซียโซนนี้แหละ น, นี่คือสวนนภูคือมาจากนู้นมาจาีนดีลงเรือฝ่ามาหาสมุทรอ้พอมาได้ครึ่งทางเนี่ยเกิดยุ่งลเลยทีเรืออปลังนะเน่ยเรือค่อยๆจมไอคนบนเรือน่ยพากันโอ้โหไปกันไม่เป็นเลยอ้อนวอนใหญ่เลยคนนั่ถือพระเจ้าก็อ้อนวอนพระเจ้าใช่ไมั่งถือพระพรมอ้อนวอนรพระม นับถืออะไรพระอินทร์พระจัาทร์พระอาทิตย์อ้ อ, อนวอนอยู่นั้นโอ้ยพระมาชนกเขนะียนเอ้ยพวกนี้ไม่ได้เรื่องนะเนี่ยเออไม่เตรียมตัวอะไรเลยท่านเตรียมตัวเลยเอาผ้าชุดน้ามันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊ บ, บ, บุ๊บ๊เอ้ชุบเลยนะเนยใสยใช่ไหมเอาเนยชุบ ท, ทําทไมชุบทําไมชุบเนยทําไมรอรน้ำเออชุบเสร็จแล้วก็มาใส่ทุกคนพากันร้องไห้อ้อนวอน ส่วนน<ผ> ม, ม, มดทุกไล่ปลาไล่สัตว์ก็โ อ, อ้นั่นแหละไม่ให้สัตว์สัตว์เย็นเหม็นมันจะไม่เข้ามานกินมสัตว์ร้ายมันรอแล้วพอคนจมน้ําตายเนี่ยอะไรจระเข้เอวยปาปลาฉ ล, ลามเอวยสัตว์ร้ายผีเสื้อสมุทรเลยมากันเปแถวเป็นแวมันหิวมันได้กินคราวเลือดเออพระหมหาชนกก็ไปยินเสากระดงเรือขึ้นปื๊ดๆๆๆๆเรื อ, รอก็ค่อยจมลงขึ้นสูงสุดเลย โอ้โหคนลอยตายกันเนื้ท่านกระโดดสุดฤทธิ์นะกระโดดให้มันเลยจากที่น้ำหรือที่เรือมนจะน้ำมันดูดเข้ามาด้วยจะไหแล้วก็สั์ร้ายบริเวณนั้นด้วยฟุบโดดเต็มไกลเลยด้วยกำลังเลยจริงๆเดี๋ฟู่ไปตึงเลยนี่ความเพียร น, นั้นเนี่ยพอไปเสร็จปุ๊บ ก, ก็วาวเลยฝุ่นฟุ่นๆุ่่ยังกระใสเครื่องชูชีพนั่นแหละช่วยได้หลายอย่างเลยเนยเนีเย เพราะทำให้ลอยน้ําด้วยทําให้กลิ่นปลาทั้งหลายไม่คข้ามันเหม็นนี่ความฉลาดไหมฉลาดในอุบายขอยงความเพียรว่ายว่ายไปเรื่อยๆว่ายไปเรื่อยๆเห็นฟังไหมไม่เห็นไม่เห็นฟังหรอกแต่ทําไมว่ายเนี่ยเราจะบําเพ็ญวิริยบะบารมีด้วยกำลังเร็วแรงด้วยกำลังของบุรุษนี่แหละเราจะไม่ท้อเรายังตายไม่ได้ เราจะต้องไหว้ขึ้นฝั่งไม่ได้ท่านก็ไหว้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆืยๆโอ้โหหกเจ็ดวันผ่านไปเข้าวันที่เจ็ด น, นะนั้นนี่ไหว้ขนาดนั้นนะมีพระองค์หนึ่งเล่าให้ฟังเป็นพระพระมา่าก่อนที่ท่านจะมาบวชเนี่ยท่านก็รักสังเ่ยเรือม ลงกลางทะเลแต่อันนั้นขนาดมีไอ้ที่ชยชีพนะอยู่อย่างนั้นแหละกลางทะเลอย่างนั้นเลยถ้าบอกอยู่อย่างนั้นโอ้กี่วันไม่รู้ใช่ทีนี้มีมีเพื่อนกันเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยที่เวลาปูปูมันลอยมาปูทะเลเไอ้เจ้าเนี้มันทําบาปเลยอะปุะ๊บปูมาแล้วก็มาฉีกกินไอ้ทีนี้ก็ห้ามไม่ให้ไปทํา ไอ้แต่แต่เนี้ยคนคนเนี้ยเป็นตอนนี้บวชนพระแล้วนะท่านบอกท่านก็สมาทานเสียงหนูหนูสมาทานเลยพอสมาทานเสียงก็นนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระเจดีย์นึกถึงพระพระุทธเจ้า ว, ว่าถ้าข้าพเจ้ารอดเนี่ยจะบวชขอบวชจะไม่ไม่อยู่เป็นคารวะอีกแล้วท่านคิดท่านเนี้ยไอ้เกื่องนี้ย่าสัต เขาแต่เขาตายตายหมดแล้ววะไหมเพื่อนๆนนที่จมลงต่อหน้าต่อตาที่ไหนแล้วมีอีกคนนึงตอนนั้นมามามันจะถึงฝั่งแล้วเนี่ยก็ไปไปจมลงไม่กระดิกมือขามัน ม, มีแรงแล้วมันยั้งไม่อยู่จบตายไปต่อหน้าต่อตาเขาอยู่เออเนี่ยมีท่านรอดคุณ ราชองค์นี้และตอนนี้มา บ, บุบบวชได้10กว่าปีนี่พูดถึงพระโพธิษัทว์ที่ท่านไหว้ไหว้ไหว้น้ำทะเลเองกินได้ไหมขมเค็มเค็มจนขมเค็มจนขมทีนี้ต่อมาเนี่ยเทพธิดารออยู่ตรงหนะ้าจะมาช่วยได้ดิ ถามว่าอย่าลืมนะที่จะมาช่วยมาด้วยกําลังบุญของว่าบริษัทเน่ะไม่ใช่มาช่วยเพราะไปร้องขอเนะี่ยถ้าเค้ามีบุญเนี่ยกําลังบุญเพียนท่านก็เทวดาก็ถามบอกว่าท่านเพียนทําไมความเพียรมันไม่มีผลมันไร้ผลเนี่ยท่านก็รู้อยู่ท่านเพียนมากี่วันแล้วมันฝั่งก็ไม่เคยเจอแล้วเนี่ยทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีผลรู้ว่ามันไม่เกิดผลท่านจะเพียนทําไม ท่านก็ตอบโต้เทวดาบอกว่าท่านอย่าไปบอกว่าความเพียรมันไม่มีผลเพราะความเพียรต่างหากมีผลเพราะคนที่ไม่เพียรน่ยพากันจมน้ําตายกันหมดแล้วใช่ไม่ใช่เนี่ยความเพียรมันมีผลข้าพเจ้าจึงมีชีวิตอยู่ในวันนี้ก็เพราะความเพียรไม่ใช่หรือได้อย่างก็คือว่าคนที่พากันไม่เพียรทั้งหลายไม่มีใครเห็นท่านเลยแต่เราต่างหากเพราะเพียรพยายามเรายังสามารถได้เห็นท่านได้อันนี้ก็เป็นผลของความเพียรท่านก็เห็นอยู่ เราถึงแม้นะีถ้าเราจะตายชื่อว่าเราเนี่ยตายในระหว่างที่กําลังบำเพ็ญความเพียรหรือทําความเพียรอยู่การตายลักษณะนี้ชื่อว่าไม่เสียชาติเกิดใช่ไหมแต่คนบางคนเนี่ยไม่เพียรไม่พยายามไม่บากบั่นเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายไปแล้วจะมีประโยชน์อะไร เกิดมาแล้วก็เกียดค้านตลอดเวลาไม่เพียรพยายามไม่บากบั่นไม่ก้าวไปใจสู้เลยเลยเนี่ยนั่นบอกว่ามันเดี๋ยวเขาคนก็ตําหนิเอาผู้รู้ทั้งหลายก็พากันตําหนิไม่ได้ประเสริฐอะไรเลยการมีชีวิตอยู่อย่างเกียดค้านไปวันวันวันเนี่ยเอาเลยสิเนี้เี่ยพูดไปพูดมาเทวดาช่วยกันแลยเนี่ยเห็นไหมวิริยะมันมีผลยันขอให้เพียรตรงนี้ก็คือว่าเปรียบเหมือนเสาที่ปักค้ำยันไม่ ประการที่ 3, สามสังสีธนา้าปัจจุบัานางมีการไม่ทอ้อถอยเป็นอาการปรากฏสังเกตว่าความเย็นเนี่ยสังเกตคือความไม่ทอ้อถอยวิริยะเนี่ยเป็นสภาวธรรมที่มีความขยันมัน่นอย่างมั่นคงเลยนะโดยไม่มีการทอ้อถอยเช่นเมื่อบุคคลบางคนไปพบกับอุปสรรคปัญหาปุ๊บถ้าวิรยิยะหรือความพยายามมาปุ๊บเนี่ยมันจะต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคนั้นโดยไม่มีการยออ่อท้อ เนื่องจากอำนาจของวิรยาน่ดีนั้นเวลาเจอปัญหาปุ๊บมันจะชอบปัญหาเข็นปัญหาไม่ได้เราวิ่งใส่ปัญหาเลยโอ้โหดีคนที่มีความเพียรนะเห็นอะไรที่คนประเภทนี้ประสบความสาเร็จหมดนะแต่เด็กๆเนี่ยเราไม่เคยถูกสอนเรื่องนี้ใช่ไหมเราเลยไม่รู้แต่เนี่ยเจ้าเนี่ยแต่มันฉลาดหน่อยอะมันรู้ว่าโอ้บุคคลจะพุกย คนทุกข์ได้เพราะความเพียรเนี่โหเอาเลยแตนะ่นี่ยรุดหน้าสังเวคะวัตถุประทัดฐานังว่าหรือวิรยิยลำพาวัตถุประทัดฐานนงมีสังเวคาวัตถุ8เป็นเหตุใกล้เดี๋ยวจะไปดูอีกทีหนึงเอาแล้วสิเคที่เกิดวิริยามีสิบหอย่างมีทั้งสังเวคาวัตถุ8ดและวิริยาลำภาวัตถุอีก8เนี่ยทำยังไงถ้าเกิดจะกระตุ้นความเพียรให้เกิดขึ้นต้องคิดเรื่องนี้ได้ สังเวทค่าวัตถุ ก, ก็แปลว่ า, าเรื่องราวอารมณ์ที่ทําให้เกิดสังเวทหรือเกิดความสังเวทสังเวทค่าก็คือเป็นเหตุทําให้เกิดโอตะปะสะดุ้งกลัวต่อบาปอัตกระกรรมทั้งปวงแล้วก็เป็นไปกับปัญญาด้วยทําให้บุคคลมีความมุ่งมั่นภาคเพียรพยายามในการกระทํากุศลต่างๆเพื่ออะไรเพื่อจะหลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อจะหลุดพ้นจากปัญหานั้นให้ได้ก็เรียกสังเวทค่าวัตถุ8 ก็คือพอเห็นวัตถุเห็นเรื่องราวต่างๆเนี่มันมีจิตใจอาถราพ์ขึ้นมาเลยแล้วจะต้องออกจากมันให้ได้เช่นชาติทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะความเกิดพอคิดถึงเราเราจะต้องเกิดแล้วต้องไปเกิดใหม่โอ้โหไปเกิดใหม่ต้องคิดดูทีที่เรียนมาทางโลกทั้งหมดเนี่ยต้องไปเรียนใหม่เรียนทุกเรื่องพอไปเกิดในท้องมารดาใช่ไหมถ้าไปเกิดในท้องปลา ก็เป็นลูกของปลาเกิดเป็นท้องสุนัขในท้องสุนัขเป็นลูกสุนัขเกิดในท้องแมวเป็นลูกแมวเกิดในท้องจริงจกเป็นลูกจริงจกเกิดในท้องแมลงสาบก็เป็นลูกแมลงสาบเกิดเป็นในท้องหนูก็เป็นลูกหนูเกิดในท้องหมูเป็นลูกหมูเกิดท้องวัวท้องควายเป็นลูกวัวลูกควายเกิดในท้องเปรตเป็นลูกของเปรดเองพวกเนี้ยไอชาติทกเนี้ยมันน่ากลัเนี้ย ไอ้ต้นหาที่เราไปผูกผูกติดติด ต, ต, ต, ติติไปชอบใจอะไรคอไ้ทั้งหลายเนี่ยเอา้ามีพระรูปหนึง่งชอบกินอ้อยมากชอบตายไปปุ๊บตอนนั้นเน่ะจิตมันหิวนึกถึงไอ้คออ้อยก็เลยเกิดเป็นหนอนอยู่ในอ้อยเนี่ยดูดิเนี่ ย, นยขนาดพระยังตัวไม่รอดเลยวางท่าทีทางใจผิดเนียไปเกิดเป็นหนอนแค่นะั้นเองดูทีหนึ่งตาขาวผ้าเหลืองป้า กระช่ไงมันไม่ผิดพลาดไงบวชมาไม่เรียนไม่ศึกษาไม่รู้อะไรเหตุผลไม่ต้องพูดถึงคารวะเลยแต่เนี้ยไหลไหลเป็นไหลเป็นน้ำรองอเวจีทุกองบายทุกติวิตติวาในโลกนี้พอเกิดโยนิสมนัสการปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ปารบถึงความเกิดก็สังเวคยานะเกิดขึ้นมุ่งมั่นในการที่จะทำกุศลเพื่อให้หลุดพ้นจากภาวะของความเกิดในภพต่างๆให้ได้ ไม่เอาแล้วเนี่ยใจมันไม่เอาแล้วการไปเกิดในพบต่างๆนี่เป็นชาติทุกข์ขึ้นมาจันงีแ้ผูโ้โหูทรมานมากเลยเนี่ยลืมหมดลองคิดดูที่ว่าจากผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นแค่หนอนเนี่ยจากผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นแค่สุนัขเนี่ยหรืออย่างมีสามีคนหนึ่งที่ว่าโดนภรรยาฆ่าภรรยาไปมีชู้กับน้องชายอ่ะที่เล่าหลายครั้ง แอบมีชู้กันกันน้องชายของของขอ ง, ของสามีสามีไปอยู่ป่าพอกลับมาโอ้คิดถึงภรยามากภรยาบอกว่าไปที่ท่านนะไปสระอาบน้ำอาบท่าก่อนเดี๋ยวค่อยมาเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวเี๋ยวเลีไปไปล้างมือไมหมม น, นไอ้น้องชายก็ถือมีด ลอยจ้องรอไอเจ้า น, นิวเบส่ผมสามซีซที่ท่าน้ําฝันปิดขาดที่รงน้ําไปก็เลยได้อยู่ด้วยกันไอเจ น, นี้ใกล้จะตายคิดถึงเมียอะตอนนั้นไปเกิดกับเมียได้ไม่ได้เลยเกิดเป็นงูเขียวในบ้านนะ้ในท้องงูเขียวเกิดมาก็เป็นลูกของงูเขียวตัวเล็กๆมันยังมั น, ม, นมันมีสัญญาเก่าวอวยนี่มันรักมันหล้ม พอไอผู้หญิงคนนี้เดินเดินออกมามันก็โดดใส่โอ้โหเากลัวที่เป็นงูเขียวตัวเล็กไปโดดใส่เขาเขาร้องสุดเสียงมันก็มีมีดอย่างกงี้ฟันปึ้งคอขาดเลยมันกําลังรักอยู่อะได้ไปเกิดเป็นสุนัขลูกสุนัขอยู่ในท้องสุนัขในบ้านนั้นคลอดออกมาเป็นสุนัขน้นอยๆแล้วอะไรไผู้หญิงคนนี้จะลงมายืนะงกนีงน้งกรอยอยู่นั่นแหละดูทีเนี่ยไอชาติทุกข์เนี่ย พออูขอเขาลงมาวิ่งพันแข้งพันขาเพ่นแข้งพันขาผู้หญิงคนนี้ถูกล้อเลียนเว้ยเหมือนนายพานไปไมาฆ่าสุนัขตายก็คนล้อมันเพาคนนี้ก็หญิงสามีมาเกิดทำไวมันก็พันแข้งพันขาวเนี่ยฆ่า ท, ที้ไปเกิดเป็นอยู่ในท้องของงูในบ้านอลังนี้เขาเลี้ยงงู เออมเกิดมันเกิดบ่อยงั้นเลยหรอโดนฆ่าตายก็ตายแล้วไม่เกิดได้ไงแล้วไม่ใช่ก็ต้องดวงศุภทุกกติสุ ก, กติกัไม่ใช่เหรอก็นี่ไงทุกกติแล้วการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่แหละเป็นทุกกติ<อ>เดินฆ่าไม่ไม่เกิดใหม่ได้ยังไงเพราะกิเลสยังมีอยู่ไป เ, เกิดเป็นลูกวัวโตขึ้นมาวิง่งหายอายเขาทําอะไรนี้ เริ่มรู้แล้วไอ้นี้สงสัยอดีตผัวแล้วเนี่ยมาเกิดนี่กลัวด้วยอะไรด้วยใช่ไหมหลอกไปที่ท่าน้ําขาเอาเอาหินมัดค อ, อยังตัวเล็กผักลงน้ําไปเลยหิงก็ทวงลงไปตายนีน่นะซบมาเกิดเลยตอนนั้นกําลังเกี่ยวข้องกับสามีไม่นานภายในยะาสิบวันมาเกิดในท้องเลยเป็นลูกเลยใช่ไหม พอคลอดออกมามันสัญญามันมันมาเดอมามามันระลึกได้เยอะเพราะมันเกิดจี้จติดตกันมาอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยมันจําได้เลยมันนึกได้ว่าโอ้นี่ฆ่ามันแน่มันก็ไม่ให้เด็กคนนี้ก็ไม่ให้แม่จับเลยเห็นไหมจากสามีมากลายเป็นลูกเลยพราะจะจับมันก็ร้องร้องร้องเลี้ยงไม่ได้ให้กินนมเลยแม่ตาก็เลยเอาไปเลี้ยง เลี้ยงเลี้ยงจนโตทำไมเห็นแม่ไม่ได้ร้องตลอดมันกลัวมันร้องปากคอสัน่นร้องร้องมันจําได้นะเข้านะเข้าไม่เอาพอมโตขึ้นมาโตจนเจ็ดขวบห้าหกเจ็ดขวบแล้วก็เลยถามว่าไอ้หนูทําไมแม่มันไม่มอยากดูหน้าแม่แล้วลอกไม่ใช่แม่เราเป็นจะฆ่ามันฆ่าผมมาทุกชาติเลยอ่ะว่างั้น โอ้ยก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ตาฟังทั้งหลานและตาร้องไห้กันทั้งคู่เลยกอดกันกลมเลยหนีเลยหนีผู้หญิงคนนี้ไปบวชแล้วได้บรรลุ ก, กันทั้งตาทั้งหลานเลยนี่เห็นไหมหน้าโคกงไหมบรรลุเป็นอะไรเป็นพระอรหันต์ไงท่านพ้นทุกข์ไปแล้วนิพพานไปแล้วเหลือแต่ชีวิตเอนี่แหละเกิดไปเดี๋ยวก็จะรู้ เนี่ยชาติทุกสองชราทุกทุกเพราะความแก่มันเกิดแล้วก็จะต้องมาแก่นี่แหละก็พิจารณาโดยแยกใครได้นาทของโยนที่สมนักสการก็สังเวชยาณาเกิดอีกโอจะต้องเพียพรพยายามเจริญกุศลเพื่อให้หลุดพ้นจากชราภัยเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายผมขนเล็บฟันทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มทำหน้าที่วิปลิตผิดเพี้ยนเขาเรียกชราเริ่มทำหน้าที่เพี้ยนแล้ว ตาเริ่มทําหน้าที่ไม่ดีหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายเลยเนี่ยผมขนเล็บทั้งหลายเนี่ยมันเริ่มแสดงอาการวิปริตแลองอกเนี่ยหย่อนยานเนี่ยโค้งงองเนี่ยโอ้โหชัดไม่ได้เรื่องแล้วนี่คือฉาปรากฏแล้วเฮ้ยแล้วเราก็จะต้องมาชราบ่อยๆอย่างเนี้ยพิจารณางี้เราจะต้องค้นคว้าในการพ้นจากชราเนี่ยได้ก็เกิดความเลกล้ากล้าไม่กลัวแล้วอะไรก็ได้ขอจเจริญกุศลถูกทางได้ฟังคําสอนถูกทางไปแล้วแต่นี่พยาธิทุกข ทุกพอความเจ็บไข้เนี่ยพอพิจารณามาแล้วคำว่าพยาธิทุกก็คือว่าผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดเนี่ยมันหยุดเออมันมันมันมันเริ่มทุรพลเนี่ยเริ่มทุรพลแล้วก็เรียกพยาธิมันชักไม่ได้เรื่อแล้วเริ่มจะเริ่มจะสำงได้ไม่ดีแล้เนี่ยไอ้พยาธิทุกเนี่ยก็พิจารณาว่าโอ้โหเนี่ย เราจะต้องพ้นจากไอพยาธิคือความเจ็บป่วยเนี่ยไดแล้วก็มรณะทุกข์ก็ปาราบถึงว่าอาวัยวะทั้งหลายมันหยุดทําหน้าที่ผขงขนและฟันหนังเนื้อทั้งหลายอะไรนี้ถึงหัวใจทั้งหัวใจหยุดทําหน้าที่ก็จะไปมรณะปอดหยุดทําหน้าที่ก็มรณะตับหยุดทํานมันทำหน้าที่ไตหยุดทําหน้าที่เนี่ยมันตายหมดแล้วเนี่ยถ้ามันหยุดทําหน้าที่เมื่อไรก็ได้ในร่างกายของเราใช่ไหมสภาพร่างกายของเราเนี่ย อวัยวะน้อยใหญ่มันหยุดทําหน้าที่เมื่อไรก็เหลือบเมืรนะมันตายแล้วเราไม่เคยรู้ตัวกันเลยที่หยุดทําหน้าที่เมื่อไรก็อยู่กันอย่างมึนๆงงๆอยู่อย่างหลงๆนี่แหละพอพิจารณาอย่างนี้ก็ปุ๊บแล้วอบายาทุกทุกในการไปเกิดเป็นสัตว์นรกทุกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทุกในการไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายโอ้อย่าตายนะอย่าหายใจเข้าไว้นะจะตายปุ๊บหมดสถานภาพทันทีเลย เนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนเนี้ยขนาดเนี้ยนั่งๆ่งอยู่เนี่ยถ้าลมหายใจขาดแค่เนี้ยหมดสารภาพที่ทำมาทั้งหมดที่คิดว่ามั่นคงมจริงจริงชีวิตเนี่ยไม่ได้มีมั่นคงเลยต่อไเป็นเจ้าพ้ามหากษัตริย์ไล่ลงมาจนถึงคนหาฟืนหาผักขายตลอดถึงขอทานไม่มีอะไรมั่นคงเลยพอถึงมรณะภัยขึ้นมาก็เปลี่ยนพบหมด อยู่ยังหลงก็ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้อาบตยอตีต่มูลกระทุกทุกเพราะมูลเหตุที่ในอดีตก็คือบุคคลปารบถึงทุกกรรมในอดีตทั้งหลายเหล่านี้นะอดีตนะเราเคยทําปาณาทิบาทมาที่นาธานกาเมสวรมิฉาจานมุสม า, า, มาวาตปิสณาวาจ า, พ, า, า, จาพุทสวาราสัพพะราปาอภิชาปยาบาทมิฉาทิชิทำอกุศลนั้นมีโอ้โหเยอะหมดเลย ถามว่าในอดีตที่เราเคยทํากรรมชั่วมาแล้วกรรมชั่วนั้นรอจังหวะอยู่จะให้ผลเราเมื่อไหร่ก็ได้อ่าไม่ต้องอะไรเราเปิดโอกาสผิดอย่างเจ้านินเนี่ยท่านแกดูไหมเวลบาบาปให้ผลเนี่ยเป็นไงขึ้นไปใน ด, ด, ดีก็ล้อมตัมาเลยเนี้ยกระโหลกเล้าเลยนี่จําอะไรจะไม่เคยได้เลยถ้าเป็นเด็กไปเลยตอนเนี้งอแงนางเข้าวนางข้าก็บอกเออไอ้ลูกคนนี้มันใช่มันใช่ลูกกูหรือเปล่าเนี่ยเป็นมองจ้องหน้าลูกแล้ว หาาไม่ให้รู้ดูสิดูเวลาบาปมันให้ผลเนี่ยกลายเป็นเด็กในวันนั้นเลยก็ได้เนี่ยมันเบียดเบียดอย่างนี้เวลาบาปเวลากรรมมันให้ผลเอาอย่างกรณีอย่างโยมสุวรรณอย่อย่างเจ้าเมธเนี่ยเราก็เห็นเห็นเนี่ยเวลาบาปมันตามมาทันแล้วให้ผลมันก็กลายเป็นคนแบบเนี้โอ้โหเวลาตามให้ผลนา่ากลัวเนี่ยเนี่ย อ, อ, อตีตามมูรากทุกทุกจากการทํากรรมในอดีต แล้วตอนนี้อกุศลกรรมมันยังไม่ให้ผลแล้วเรายังมาวัวประมาทอยู่อย่างเนี้ถ้าวันใดวันหนึ่งมันตามให้ผลเราหมดโอกาสเลยนะมันมาปิดกั้นทุกเส้นทางเลยนะและเราจะเจริญกุศลอย่างไงเหลือช่วงนี้เท่านั้นแหละที่จะเจริญได้ช่วงที่กําลังกุศลยังให้ผลอยู่สภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่เนี่ยถ้าปล่อยไปอีกสักระยะหนึ่งไม่มีทางเจริญอะไรได้เลยถ้าอย่างเราๆถ้ากรรมให้ผลก็ลงอบายครับหรืออย่าง พ ร, พระเจ้าพิพิสารเนี่ยโดนลูกโดนลู ก, กจับไปขังคุกเนี่ยแล้วต่อมาลูกก็เอาในช่างการระบบช่างตัดผมเนี่ยไปตัดหนังเท้าท่างใช้มีดโกนน่ยกรีดหนังเท้ากรีดกรีดเสร็จแล้วเอาน้ําเกลือลาดลาดเสร็จแล้วก็เผาไปตอตะเคียนเนี่ยนี่สวรรค์อนาคตให้เจ็บเนี่ยให้ทรมานให้ให้ใจขาดตายไง อังไม่ตายหรือไม่ตายเผาต่อเผาได้ต่อตะเคียนเผาย่างเอาตั้งเขาไาว้เนี่ยเผาไฟลนเผาล้อโอ้โหโอ้เงี้ยแล้วก็ใจขาดตายไปเลยขนาดนั้นกรรมเวลามันให้ผัวเนี่ยเหมือนนีไ่ไงสมัยยุธยาพวกเจ้าพระยาก็ดีพวกราชชกุมารทั้งหลายที่แพ้สมัยนั้นเน่ะมยันดากษัตริย์ลบ ก, กันเองใช่ไหมตระกูลหนึ่งแพ้ แล้วต่อมาถูกจับได้นั้นเวลาเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินก็ดีถูกฆ่าแต่ที่วัดเขาเรียกวัดโคกพญาวัดโคกพญาที่อยู่อยุธยาปัจจุบันเนี่ยอยู่หน้าวัดพระเมรุเนี่ยตรงนั้นแหละวัดโคกพญาตรงนั้นเนี่ยนั่นแหละเอาไว้คุ้ยฆ่าเจ้านายชั้นสูงโดยเฉพาะใครที่เป็นเจ้านายชั้นสูงถ้าเกิดเขาเกิดระแวงขึ้นมาไปทําความาผิดขึ้นมาเขาก็ใช้อะไม้ตะเคียนทุบตาย ทุบก็เนอี่ยแหละทุบต้องมาคุบที่วัดเนี้ยวัดโคกพญาวัดอื่นเอาไปไปฆ่าไม่ได้เวละฆ่าเจ้านายชั้นสูงจงมาฆ่าที่วัดนี้ก็เลยมีชื่อเป็นวัดศาสตรมาอย่างนี้นี่เห็นไหมว่าเวลาบาปมันให้ผลขึ้นมาเนี่ยมันโดนทบุบโดนฆ่าตายเหมือน้วไม่มีเหลือไอ้ที่เราอยู่กันอย่างเงี้ยดูดูแล้วมันจะตอนเนี้ยดูเหมือนบาปมันยังไม่ให้ผลเท่านั้นแหละแต่หลายๆคนที่บาปให้ผลเป็นยังไงนั้นกรรมในอดีตเนี่ย ถ้ามันตามมาทันเมื่อไหร่ความชั่วที่ทําไว้ตามมาทันเมื่อไรเวลามันให้ผลเนี่นตอนเนี้ยคันถึงเ ร, เราต้องเร่งขวนขวายในการเจริญกุศลเขาคิดแบบนี้มันก็เกิดความเกล้ากล้าความเพียนความอาถรรพ์ในการที่จะเจริญกุศลจะได้ไม่ท้อใช่ไหมไม่ได้คิดเกินความจริงนะเนี่ยคิดในมูลความเป็นจรนะิงแต่ละคนก็เจอกันหนักๆ ห, หลายคนเนะี่ยอวพอเจริญกุศลโลกมะเร็งมาตามแล้วทันไหม ไม่ทันแล้วโรคปอดมาตามแล้วโรคเบาหวานมาตามแล้วโรคคือทอปเป็นโรคอะไรสารพัดหมดเนี้ยแล้วมันแก้ปัญหาได้ไหมชีวิตเพอโรคมารุมร้าแล้วก็ไม่สามารถที่จ ะ, จะเจริญกุศลอะไรได้แล้วหมดโอกาสทันทีเลยนี่เป็นงนี้บางคนเนี่ยเป็นโรคเกาเนี่ยเดินไม่ได้ซะแล้วโรคตบโรคปอดเนี่ยหรือว่าเป็นต่อม อมตอมทอมซินอักเสบขนาดหนักเสียงไม่มีแล้วอย่างนี้ตอมลูกหมากเนี้ยเนี่ยพังไปเลยดูดินจะไปนั่งกรรมฐ า, านอะไรก็ไม่ได้งอแงกอแงกงอแ ง, องอนอ น, น, นทรมานแน่นะท่านทรมานเนี่ที่เท่านเป็นขนาดนี้แต่ลองเป็นดูอย่ารู้ใช่ไหมเนี่ยเจรลญกุศลได้ไหมเนี่ยยากเลยท่านนี้กำลังนอนบ้างนั่งบ้างเห็นไหมท่านก็เป็นนั่งเนี่อาจารย์กัปยามาดูเลยละ ก็หวังว่าจะหายอนาคาตามูรากทุกทุกในอนาคตเป็นมูลก็คือที่เท่าในปัจจุบันนี่แหละทุกที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตให้มอพิจารณาดูทีกรรมชั่วในอดีตตามให้ผลในอนาคตจะได้กรรมชั่วในปัจจุบันตามให้ผลในอนาคตเลยเนี่ยอนาคตามูรากทุกทุกที่จะเป็นไปในอนาคตเนี่ย เนี่ยพิจารณาอย่างนี้ว่าทํากรรมจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็แล้วแต่ต่อไปในอนาคตเขาจะเดือดร้อนเนี่ยก็เดือดร้อนกรรมก็ให้ผลจะทําความไม่รู้เนี่ยน่ากลัวเนี่แล้วก็ไม่พยายามสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมาลําบากเลยนี่แล้วอาหารับปริเยที่ทุกเนี่ทุกที่เกิดจากการเที่ยวหาอาหารการทํามาให้กินโอ้โหเดี๋ยวนี้ทุกันไปทุกวันเนี้เห็นชัดเลยไมย่ข้อสุดท้ายเนี่ย อาหารรับปรียเดทุกในการหาอาหารกินตื่นแตีสี่ตีห้าดึกดึกเดินเดินไอ้นักเรียนก็ต้องตื่นแต่เช้ากันเนี่ยเพื่อจะไปหาเรียนวิชาชีพเพื่อจะไปหาอาหารกินเนี่ยเราทรมานกันมาตลอดนนเนี่ยโดนบังคับให้ตื่นพ่อแม่ก็กระตุ้นบ้างด่าบ้างว่าบ้างอะไรสารพัดเนี่ยไอ้ลูกก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องยังไม่เด็กๆเนี่ยถ้าอยู่ในกรุงเทพได้แล้วเนีน่ยตีสี่ออกจากบ้านแล้วนั่งรถบ้างตีสามตีห้าบ้าง ก็จะไปถึงโรงเรียนก็จะกลับจากวิ่งวุ่นกันอยู่นั่นแหละไอ้คนจะไปทํางานก็เป็นแบบเนี้ยวันๆก็วุ่นไปทํางานกันอยู่นั่นแหละหาอะไรหาอาหารกินบางคนก็ไปตายระหว่างทางเสียงรถเนะี่ยวิ่งไม่เคยขาดเลยเนี่ยนะเข้าไปทําอะไรกันหาอาหารไปทํางานหาเลี้ยงชีพวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนทุกวันเนี่ย เซเว่นอีเลเว่นเนี่ยยี่สิบี่ชั่วโมงเลยหากิ น, กนขนาดนั้นเลยเนะคนก็ถัดกันผัดนู้นผัดนี่อยู่ปั้มน้ํามันเนี่ยนั่งหลับกันใช่ไหมใช่หาหาข้าวกินไหมเนี่ยแคจะหาข้าวกินหาที่อยู่าศัยเนี่ยวั น, ว, นวันก็วนกันอยู่แค่ตรงนั้นแหละนี่ทุกในการหากินโอ้โหไปกันแล้วนกก็เป็นใส่เดือนก็เป้นกิ้งก่าก็เป็นโอสารบาบะหมดวิ่งตาลีตาเหลือหากินกันอยู่นี่ สัตว์โลกมันเกิดมาเป็นเงินทุกขากินมันเราก็พยายามจะเรียนเรียนให้มันได้ยุงสูงมันจะได้หากินกับเขาได้เยอะๆดีๆ ด, ๆดๆีที่ไหนแล้วต่อเรียนให้จบด็อกเตอร์อีกอีกร้อยใบให้จบร้อยใบเลยนะออกมาทุกไหมทุกหากินกันวิงวุ่นกันอยู่นะั่น ยามข้าวยากมากแพงเกิดภัยพิบัติอ้าวตายแล้วเนี่ยร้องเกิดจราจนนะเผาเกิดจราจนกันขึ้นมาเปลี่ยนการปกครองนะหรือถูกตะเป็นเมืองขึ้นนะเกิดแผ่นดินไหวนะน้ำท่วมนะเกิดโรคระบาดโหปัญหาตามไป ก, กันอย่างนี้ <c oughs> เลือดร้อนไหม <c oughs> โ้ยโหนี่ทุกในการหากินนี่เป็นอย่างนี้ นี่ก็แลถ้าพิจารณาเหตุ8ประการนี้แล้วมันทําให้เกิดอะไรสังเวคะยานนะยานปัญญาที่เกิดพร้อมกับโอตปะป่าและสะดุ้งกลัวภัยเห็นว่าตอนนี้มันยังมีอาหารกินอยู่ตอนนี้การหาอาหารเนี่ยอย่างดัพระเนี่ยยังพอไปบินตาบาดแล้วได้อาหารมากินอยู่นี่นเราจะไม่จมจะไม่มัวเมาหรอกถึงคราวหนึ่งนะมันจะต้องลําบากแต่ตอนนี้มันสามารถเจริญกุศลได้เพียงพยายามเจริญสติปัฏฐานสมปิษทานอิทธิบาทอิสีพระราพโธชงอริยมรดได้ เออมันเพียรพยายามได้ในช่วงนี้ถ้าเรามัวประมาทเสียไม่เร่งเจริญกุศลในช่วงนี้ทํากิเลสและวัฏฏทุกข์ทำมันหมดสิ้นไปเนี่ยเราจะเสียหายอู้ พ, พิจารณาอย่างนี้เร่งเพียรพยายามอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพเต็มความสามารถเลยถ้าทําอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในอุบายแล้วเนี่ยเป็นผู้ฉลาดแล้วเป็นผู้ฉลาดที่จะสามารถก้าวร่วงความทุกข์ทั้งหลายเป็นต้นได้ แล้วต่อไปพูดถึงในเรื่องของวิริยารำพาวัตถุอีกแปดดูที่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องวิริยาบารมีเต็มศักยภาพนี่พูดถึงเกิดความเพียรวิริยา ว, วิริยาลำพาวัตถุนี่ก็หมายถึงเรื่องราวหรืออารมณ์มันเป็นปัจจัยให้เกิดการปาระความเพียรในกิจการงานต่างๆให้สําเร็จลงแต่ถ้าบุคคล น, นั้นไม่มีโยนิโสมนัศศิการในการพิจารณาโดยวบเ ย, ยบคายแล้วไอ้ตัววิริยารำพภวัตถุเนี่ย ก็อาจจะ ก, ก, กลายเป็นโกสัจฉะหรือความเกลียดค้านไปก็ได้เนี่ยเาเรียกกรร ม, มะนะเกี่ยวกับกรรมะมีการงานมีสองอย่างก่อนหนึ่งการงานที่สําเร็จแล้วเมื่อบุคคลปารบถึงการงานที่ตนเพิ่งทําเสร็จไปแล้วเนี่ยเช่นถูบ้านเสร็จแล้วซักผ้าเสร็จแล้วหรือดูการบ้านเสร็จแล้วจะเป็นหนูนเนี่ยเสร็จแล้ว หรือไปทําการงานทํากิจกรรมต่างๆเสร็จแล้วปุ๊บก็เกิดความภาคภูมิใจนะบางคนบอกว่าเออเสร็จแล้วนอนดีกว่าเห็นไหมเออเราถูบ้านเสร็จแล้วนอนดีกว่าซักผ้าเสร็จแล้วนอนดีกว่าท่องบทนี้เสร็จแล้วนอนดีกว่าหรือว่าตัดหญยาเสร็จแล้วนอนดีกว่าเนี่ย ไปทำกิจกรรมต่างๆเฮ้ยนอนดีกว่าไอ้ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกขาดโยนิโสมนัสิการแต่ถ้าคนมีโยนิโสมนสิการปุ๊บเกิดความภูมิใจเกิดกําลังใจใขึ้นเสริมที่ต่อสู้กับงานอื่นต่อไปเพราะได้เห็นผลของงานที่ตนเองทําเสร็จแล้วนั่นแหละเองเป็นเหตุแต่ถ้าบุคคลมีอายนิโสมนสิการก็เลยไปพิจารณาตรงกันข้ามไม่รอบคอบกระป๋าเราเบร์ดเราเสร็จแล้วเรานอนเกิดโกสัจฉาเกียรติคัน ทำให้ละเลยหยุดชะงักการงานที่จะพึงในการที่ทําเกิดความเฉยชาเฉยเนี่ยลักษณะนี้นะนี่การงานที่ทําเสร็จแล้วอย่างเราเราบอกเอาละทํางานเสร็จแล้วคือเราจะได้รีบศึกษาว่าทําต่อโอ้โหนี่ไม่ได้แล้วเราจะได้ทําได้ศึกษาว่าทําการงานที่มันดีมันยิ่งยิ่งขึ้นไปโอ้โหนี่รีบก็พอกลางบางคนทํางานเสร็จแล้วนู่นไปเปิดพัดลมนอนเงี้ย ถ้าแล้วกรณีอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประมาทเฉยชาเป็นคนจมอยู่กับบาปจมกับอกุศลเนี่ยคิดให้ถูกในเการงานนะท่านทางานเสร็จแล้วให้คิดยังไงคิดใหเป็นโยนิโสก็ได้คิดเป็นอะโยนิโสก็ได้คิดเกียรติค้านก็ได้คิดปรารความเพียรก็ได้งั้นการงานเสร็จแล้วอุ้ยตอนนี้ร่างกายเรายังดีอยู่เนี่ยไม่ได้นี่ทำเอาปรการที่สุงต่อมาก็คือการงานที่กําลังจะลงมือทํากําลังนะจะนะ ปลารบถึงการงานที่กําลังจะลงมือทําถ้ามีโยนิโสมนัสการก็พิจารณาโดยไยแยบขายก็เกิดความขึกเขิมที่จะต่อสู้โดยคิดว่าการงานนี้ยังไม่ได้ทําแล้วจึงรีบทํายังไม่ได้กวาดจะต้องรีบกวาดไม่ได้ถูจะรีบถูไม่ได้ซักผ้าจะรีบซักผ้าไม่ได้ดูหนังสือจะรีบดูหนังสือไม่ได้สวดมนจะได้สวดมนไม่ได้นั่งกรรมฐานจะได้นั่งกรรมฐานเนี่ยพิจารณานี้เกิดโยนิโสมนัิการปุ๊บขึ้นมาโอ้โหคนจะทําให้เรียบร้อยไม่ข้างค้างไม่อากูด แต่ถ้ามีอโยนิโสถ้าไม่ฉลาดคิดคิดไม่ถูกทางคิดไม่ถูกวิธีปุ๊บนะไม่รอบค็อบก็เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้คำานึงลำบากไม่ไหวนอนถ้พักก่อนดีกว่าเนีย่ยต้องถูเดี๋ยวโคบากเลยเหนื่อยอากาศก็ร้อนอะไรก็แล้วแต่เธออ้างเยะแย่เปียดเสดเลยทาลังจะทำอยู่แล้วไม่ได้ทำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเยอะไหม อาการแบบนี้เยอะไม่เยอะเพราะจะสวดจะดูหนังสือหน่อยเพราะจะท่องไงเนี่ยปฏิโมกเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี네๋ยวก่อนไม่เอาอีกแล้วไม่ได้สักทีหยิบแล้ววางหยิบแล้ววางอยู่เนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยกำลังจะลงมือทาก็ไม่ทาพอดูไปดูมาแล้วไปดูตรงหมอนนีะนะไปนั่งเอ๋หมอนก็ยังรอเราอยู่ ที่นอนก็รอเราอยู่อย่างนั้นเลยเห็นสมควรแกเหตุนอนก็เนี่ยไปไปมาๆก็โอ้โหเลยไม่ได้ไม่ได้ปรึกวิทยาเลวงั้นเลอ้าวอันนี้เรื่องการงานเนะสองอย่างการงานที่ทําแล้วกับการงานที่กําลังจะทําไงพิจารณาให้เกิดโยนิโสแล้วจะได้เกิดวิทยาลํมพะอาา้ามักฆะในการเดินทางการเดินทางที่เพิ่งมาถึง เมื่อบุคคลน่ะปารบถึงการเดินทางที่ตนเองเพิ่งเดินทางมาถึงโอ้เดินทางเพิ่งมาถึงใหม่ๆเกิดยศวิสโในการพิจารณาดูใบแยกกายเกิดความภาคภูมิใจฮึกเขิมจะ ต, ต่อสู้กับงานอื่นต่อไปอุ๊ยไม่ได้เราเพิ่งเดินทางมาถึงเราต้องเล่นขวนขวายงานอย่างอื่นเช่นเราเดินแปทางไปได้ถึงที่ไหนก่อนปุ๊บไม่ได้แล้วใช่ไหมปารบเลยโอ้เราจะต้องปัดกวาดเช็ดทูทํากิจกรรมต่างๆให้เรียบร้อยจัดตรงนั้นจัดตรงนี้ เออเนี่ยเพราะเราเพิ่งมาถึงใหม่ๆนี่แหละเราจะมอหยุดอยู่ไม่ได้แล้วต้องเร่งรีบในการที่จะทําเนี่ยคือเขิมขึ้นมาก็กระตุ้นตนเองเกิดขยันหมั่นเพียรขึ้นมาเลยไหมเกิดความบากบั่นขึ้นมาเลยเนี่ยให้เกิดความสําเร็จเราสาหะเดินทางมาแต่ไกลงั้นมาถึงแล้วต้องรีบทําแน่วันนั้นการงานที่มุ่งหมายให้สําเร็จลงเส้นไปจะได้ไม่เสียเวลาในการเดินทางเหนื่อยเปล่าเราสาหะเดินทางมาตั้งไกลก็เพื่อจะปาราเพื่อจะทําสิ่งต่างๆตรงนี้ เออเนี่ยเหมือนนะโอ้เดินทางตั้งร้อยกิโลเพื่อจะไปเลียนเนี่ยไปถึงปั๊บโอ้เหนื่อยเหลือเกินนอนดีกว่านี่ให้เดินทางแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แค่อาโยนิโซโอโหเนี่ยอากลับไปบ้านโอ้โหเราไปบวชไปตั้งนานอย่างนั้นเลยแทนที่จะเรียบเร่งทํางานทําการกลับไปนอนดีกว่า ใจก็หมกมุ่นอยู่ในเรื่องนั้นเี yeah. น่ยนนี่ลักษณะอย่างเงี้ยนะโกสัจฉะก็เกิดขึ้น <c oughs> เกิดเกลียดค้านครอบงาจิตทําให้ลากอยหยุดชะง้กการงานที่จะพึงทาต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นการขวนขวายน้อยอยู่อย่างสบายอ้างเรื่องต่างๆมาเป็นเหตุเยอะแยะฝนตกบ้างแดดออกบ้างเลยสารพัดนี่นี่อาการต่อมาคือการเดินทางที่กำลังจะออกเดินทางกาลังจะเดินทาง พอรบความเพียรตนกําลังจะออกเดินทางเกิดโยนิโสมในการพิจรารณาโดยบายแยบใครก็คึกเขิมในการเดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางนี้โดยคิดว่าพ้นทางที่เราเดินอีกยาวไกลถ้าไม่รีบเดินอาจจะไม่ถึงอาจจะมีอุปสรรคต่างๆมาขัดขวางก็ได้ฝนตกแดดออกเป็นต้นเวลาเราจะเดินไปทากิจต่างๆ จะเดินไปบินณบาตก็ดีจะเดินไปทํากิจกรรมต่างๆก็ดีเนื้อหัวเลยเชื่อเนี่ยไหม่ล้ะเราจะต้องเล่งควนขวายในการเดินเนี่ยลักษณะเนี่ยแต่ถ้าอืดอาดขึ้นมาจะเสียหายแต่ถ้าเกิดก have, าอายุนิสซมาราชการขึ้นมาปุ๊บจะเป็นยังไงนะพิจารณาโดยไม่แยบคายไม่ฉลาดปุ๊บป่าลบถึงการเดินตนเองจะเดินทางข้อเบื่อนายโอ้ลาบากไม่ได้ใส่รองเท้าเท้าก็เจ็บ ก็เกียดค้านอีกหยุดชะ ง, งักการเดินทางโอ้วันนี้ไม่ไปดีกว่าปวดท้องเหมือนกันเนี่เกียดอ้างเป็นเหตุซะอีกเลยไปไม่ได้นี่นี่เรื่องการเดินทางประการต่อมาอประการที่สามเครัญญะที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายเริ่มที่เริ่มสบายบุคคลปารับร่างกายเริ่มสบายมีโยนิโสมในการพิจารณาโดยแยกขายปุ๊บกระเตือรือร้น ว่ารีบที่ต้องทําการงานที่ตอนจะต้องทําโดยคิดว่าถ้าการป่วยไข้ของเราในกำเริบขึ้นมาอีกเราก็จะไม่สามารถทําการงานเช่นนี้ได้การงานของเราก็ต้องท้างค้างอากูลแล้วก็หรือเสียหายไปเปล่าประโยชน์รีบเราควรรีบเร่งงานใดๆที่ยังไม่ได้ทํารีบทำเสียเ อ, อขวนขวายในการทํางานให้เสร็จลงโอ้งานก็สําเร็จได้ แต่ถ้ า, าบุคคลมีอายุนิสัปุ๊บโอ้เราเพิ่งหายป่วยใหม่ๆอย่าใช้ร่างกายมากเดี๋ยวถ้าใช้ร่างกายมากเดีย๋ยวเดี๋ยวร่างกายเราจะสุดเนี่ยพอคิดในกรณีอย่างนี้นก็เอ้เบือ่อนายเกิดโกสัจชะนึกถึงความยากนึกถึงความําบากนึกถึงอุปสรรคทั้งหลายก็เกลียดข้านขึ้นมาครอบงำโหดหูท้อถอยขึ้นมาก็เลยไม่ยอมทําอะไรเลยนี่พูดถึงความป่วยเอา อาการต่อมาคือร่างกายที่ไม่สบายอันนี้ป่วยเลยนะเริ่มป่วยเลยนะเมื่อบุคคลปารอบถึงร่างกายตัวเองมีอาการอ่อนเพลียไม่สบายเริ่มป่วยท้องเสียเป็นหวัดอะไรก็แล้วแต่นี่นะถ้ามีโยนที่สองในการกระพิจารณาโดยแยกขายก็เกิดความขวนขวายในการทํางานว่าจะต้องรีบทำการงานของเราเนี่ยถ้าไม่ทําตอนนี้ถ้าไม่รีบทําไม่เสร็จเลยก่อนถ้าเกิดอาการป่วยมันหนักกว่านี้ ถ้ามันปวดท้องหนักกว่านี้น่ะปวดหัวหนักกว่านี้น่ะถ้าไขมันขึ้นกําเริบ ม, มากกว่านี้น่ะเราก็ไม่ได้ทําสิเห็นไหมขนาดกําลังป่วยนี่แหละเออมันยังไหวไหวไหมเน้นไหวครับไหวไหมท่านไหวครับมันปวดหัวนิดหน่อยแค่เนี้ยไม่ได้เดี๋ยวถ้รอไปนานเนี่ยมันเกิดปวดมากกว่านี้มันป่วยมากกว่านี้การงานก็เสร็จเลยเออจะท่องให้ได้มันท่องไม่ได้เห็นไหม จะสวดมนต์จะไหว้พระจะไปไหว้พระจะไปเจริญกุศลใดๆเนี่ยโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ต้องลิงลิงทำงนี่นี่คิดแต่ถ้าเป็นอายทุทนิสสมนสการนีดเดียวอะเริมป่วยกันไม่ค่อยสบายครับเขอนอนกอน็แล้วก็นอนแช่มันยุ่นั่นแหละว่าง <laughs> ันเจอเพี้ยเมื่อคืนนอนน้อย แล้วทําไงแต่นี้ก็เลยไม่ได้เจริญกุศลอะไรเลยมันก็เป็นเป็นวัฏจักรมันอยู่อย่างนี้แหละเป็นวัตจักรป่วยทุกวันแล้วมีวันไหนบางทีมันไม่ป่วยมันป่วยตลอดที่ชีวิตนะใช่ไหมเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เย็นเดี๋ยวก็หนาวนี้เป็นต้นเออในกรณีอย่างงี้นะนี่ร่างกายที่เริ่มส บ, บายแล้วต่อมาก็คือร่างกายที่เริ่มเริ่มอันนี้เริ่ม ร่างกายที่เริ่มสบายกับร่างกายที่เริ่มไม่สบายก็คือเริ่มป่วยเราก็จะไม่ยอมท้อถอยมันนะเดี๋ยวร่างกายก็จะสุดหนักไปนะก็สามารถกาจัดโกสศช้าได้เอาต่อไปบินธบาตะบินทบาตบินธบาตก็คืออาหารที่ไม่สมบูรณ์โอ้โหวันนี้กินอาหารไม่ดีเลยไปบินทบาตมาแล้วได้อาหารที่ไม่เคยกินเข้าไป ถ้าพิจารณาโดยวัยแยบขายเอ้ยไม่ได้แล้วถึงเราจะได้อาหารไม่ดีร่างกายไม่พอไม่เพียงพอแต่เราต้องเร่งในการทํางานเร่งในการทําความเพียรใช่ไหมเนี่พพยพอพิจารณาอย่างนี้ว่าเออเนี่ยบอกว่าหรือมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุความหลุดพ้นจากภาวะที่ขาดแคลนอาหารนั้นโดยคิดว่าถ้าหากเราขาดแคลนอาหารยิ่งๆกับอัเ น, เนี้ยเราก็ไม่สามารถจะทําการงานได้แล้วก็ต้องดร่งดิ้นรนหาอาหารนี่แหละ เราอาจจะต้องอดอาหารตายไปก็ได้เมื่อเป็นเช่นนี้การงานของเราก็จะค้างคางไม่สามารถสมรทธผลได้เออเนี่ยเหมือนการคิดทางโลกเนี่ยโอ้โหในยามนี้การตามหากินแย่เลยไม่ได้เราก็จะต้องเร่งทำงานยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ใช่ว่าการงานแย่พอเริ่มการงานรายได้น้อยลงน้อยลงกไม่ไหวแล้วไม่ทำอะไรแนละ้วก็ปล่อยสุดมเนี่ยนี่ไม่ได้เรื่องอะไรเนี่ย ถ้าเกิดอายนุนิโสนมนักการมืกโอ้โหตอนนี้อาหารได้น้อยอยากกันนั้นเลยเราอย่าไปทําอะไรเลยร่างกายของเราแย่บอกงั้ น, น, นปล่อยมันชดชงนี่ก็ทำให้โกศาชาติมาครอบงำนักเข้าวนักข่าวก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องอุปสรรคการงานต่างๆไนดะ้อภ า, ารต่อมาคืออาหารบริบูรณ์อาหารบริบูรณ์พอให้ได้อาหารบริบูรณ์โอ้โหมีกําลังเพิ่ม เอาละอาหารที่เราได้อาหารบริบูรณ์ได้ที่อยู่ที่ดีเครื่องนุ่งห่มที่ดีอาหารที่ดีเป็นต้นเหล่านี้เอาละเราแย่เป็นปัจจัยเกิดหนุนในการประพฤติปฏิบัติในการกระทําการงานให้สําเร็จลุล่วงได้ดีเพราะเราได้อาหารที่ดีเป็นปัจจัยโ อ, โ, โอ้โหทําใหญ่เลยนี่เกิดโยนิโสรการการงานก็สมฤร็จผลลุล่วงได้ดีบางคนเอ้ยเจออาหารที่ดีกินใหญ่เลยกินใหญ่เมาอาหารเกิดอายโยนิโสโอ้ไม่ไหวเลยวันนี้เมาเมาพัดเมาอาหาร นอนก่อนดีกว่าสลึมสลืออยู่นั่นแหละได้อาหารดีก็ไปเกิดเกิดอายุนิสโสรุจการเคยเป็นไหมได้อาหารทีทีง่วงแต่เช้าเลยพอกินตอนเพลินๆนี่เหมือนกันหูอัดอาหารก็ไปใหญ่กินกินกินกินินก็ไปสักพักหนึงโอ้ได้ที่เลยง่วงนั่งซึมเมื่อกลืนหรือลดเมื่อคือเกิดอายุนิสโสรุจการนี่ก็เคิดเงี้ยนะนี่เขาเรียกวิทยาลัมพะทียให้เกิดความปลาด้วยความเพียรประการต่อมากุูสีแต่วัตถุแปดนะ เรื่องราวที่ทําให้เกิดความเกลียดค้านแปอย่างไปดูนะเราเข้าใข้อเงื่อนไขข้อไหนหนึ่งเมื่อเราทําการงานนี้ก็จักลําบากกายอย่างนั้นเลยเขอนอนดีกว่าเคยคิดไหมโอ้ไม่ไหวงานนี้ลําบากียถูไม่ไหวเดือลําบากซักผ้าไม่ไหวเดือลําบากกวาดบ้านถูบ้านเช็ดหรือทํากิจการอ่านหนังสือโอ้ไม่ไหวเดี๋ยวเราจะลำบากตาเราจะละ้านอนดีกว่านี่ ประการที่สองเราได้ทําการงานและความลําบากกายแล้วอยากกันนั่นเลยข อ, อนอนโอ้ทํางานเลยจะพักไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วข อ, อนอนก่อนดีกว่าเป็นบ่อยไหมเป็นไม่เป็นประการที่สามเดินทางเขบอกว่าเมื่อเราเดินทางก็จะลําบากกายอยากกันนันเลยข อ, อนอนดีกว่าเนี่หรือเดินทางแล้วโอ้ลําบากอย่จนวันนี้เดินทางทั้งวันเลยเหนื่อยขอนอนดีกว่า บินธบาตไม่ได้อาหารโอ้ลาบากได้น้อยเข้านอนก่อนดีกว่าพักผ่อนได้อาหารมากเบียดเหนื่อยเมือ่อยล้าโอ้ไม่ไหววันนี้กินเยอะไปหน่อยข้อนอนดีกว่าอาพาธมันเริ่มเกิดเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาโอ้ไม่ไหวนอนก่อนดีกว่าหายหายอาพาธแล้วโอ้เพิ่งหายใหม่ๆเข้อนอนดีกว่าเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้เขาเรียกกุศลวัตถุเคที่ทําให้เกิดความเจ็ีดค้าน นี่ยพอพิจารณ า, างี้ก็จะขอนอนอยู่ท่าเดียวในรักสังเนี่ยอันนี้อันนี้ก็ต้องระวังไทยเป็นเรื่องแบบนี้เป็นไม่เป็นนะไอความเกียรติค้าเป็นกุศลหรืออกุศลกุศลหรืออกุศลเป็นอกุศลเป็นบุญหรือ เ, เป็นบาปเป็นบเป็นธรรมะที่ควรเจริญหรือควรละควรละฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็ไปคนขวายัางพววระพุษษทธศาสนาท่านก็กำจัดความเพียนในรักสังระปาเราเป็นวิริยะบารมี แล้ววันนี้สมควรคเทียวเองหรือมีใครจะถามอะไรไหมมีไหมมีไม่มีอ้าวไม่มีกลับ